สวดหน้าสีสิบโอวาทปาติโมคคคาถาหันธรรมยังโอวาทปาติโมคคคาทายพนามาเสมสัพพะปัสสะอักระนางการไม่ทมบาตั้งกวงกุศลสุปสัมปทานการทำกุศลให้ถึงพร้อม สจิตะปริโยตปนงังการชำระจิตของตอนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานาาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโพจิติา้าขันติคือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิง่งนิพพานังพระังวันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพานนิพพานว่าเป็นธรรมอัญญนยิ่งในอิบัทธิจิตโภรูปปาาัจจิตผู้กำจัดสัตว์ขืนอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบันพชจิตเลย สมโนโคติปารังวิเหตยันโตผู้ทำสัตว์ืืนให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุบาวาโทอนุบคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำรายปาติโมคเคจะสังวโรการสำรวมในปาติโม มาตันยุตตาจะพัตตสมิ่ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันทันจะศยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโโคความมันประกอบในการทาจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาซาสนัง คำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย